ตอนทำงานการทำงานของจิตนะเราไม่ได้สั่งให้มันจำนะมันจำเองมันทำงานของมันเองอันนี้เป็นอนัตตาจิตทำงานของมันอย่างนี้เกิดเห็นหน้าขึ้นมาแล้วเกิดโทสะแล้วก็ดับดับเป็นปกติในขณะที่ดับมันจำจำไปเนี่ยจำมันไ ม, ไม่ได้จำว่าโทสะนะมันจำว่าเนี่ยเห็นแล้วไม่ดีไม่ชอบแต่ถ้าเราอธิบายกันว่าก็คื อ, คอจาโทสะ แต่ตอนนั้นไม่รู้จักโทรษาหรอกรู้จักแต่ว่าหมอเหน่งไม่ดีขัดใจเราจาไปอย่างนี้นะแต่อันเนี้ยพระพุทธเจ้าเรียกว่าทุกครั้งที่จาเนี้ยมันจะจาเป็นอนุสสยรู้จักคานี้ัเคยได้ยินคานี้อนุสัยคือกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานแต่แหมสันดานนี่ก็คําว่าดูเหมือนคำหยาบใช่ไมจรงจริงมันคือนอนเนื่องแล้วก็หนานแน่นอยู่ในใจ ทุกครั้งที่มีกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วไม่รู้ทันและจิตก็เกิดดับอยู่เรื่อยจิตเกิดดับสักหมื่นครั้งมันก็จําเป็นกิเลสไว้หมื่นครั้งมีโทสะอยู่หมื่นครั้งก็จําโทสะอยู่หมื่นครั้งจําไว้ยิ่งมีโทสะมากแล้วจิตเกิดดับบ่อยๆเนี่ยนะกับโทสะนั้นโทสะก็จะเป็นเหมือนฝุ่นละอองที่นอนอยู่อยู่ในใจอยู่ที่ก้นบึ้งของหัวใจพอมีอะไรที่ แค่สกิดความไม่พอใจนิดหนึ่งโทระมันจะฟุ้งขึ้นมาคนขี้โกรธเพราะว่าเคยโกรธบ่อยคนที่มีราคะง่ายเพราะมีราคะบ่อยปรุงราคะขึ้นมาบ่อยคนขี้บน่นเพราะบ่นบ่อยถูกไหมสาวๆไม่ค่อยบน่นเพราะว่าตอนเด็กๆไม่ได้บ่นเท่าไหร่แต่พอเริ่มมีคู่ เริ่มทํางานเริ่มไม่พอใจแล้วก็บน่บนบน่นพอเห็นอะไรก็มีโทอสะง่ายแล้วก็บ่นขึ้นมาบ่อยมีทักษะในการบน่นมีคําบ่นได้ไม่ซ้ํากันบ่อยๆ <laughs> คนชอบด่า <laughs> เพราะว่าด่าบ่อยจ <Yeah. S 2> ะไปตามตลาดจะได้ยินเสียงด่าบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าเขาฝึกมาฝึกมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ <Yeah. S 2> มีการด่าโดยที่ไม่ซ้ํากันได้เลยคํานั้นเป็นสิบสิบนาทีก็ได้ พอเขาํำนานเราก็ํำนาญในการโกรธํำนานในการรักจะานในการชังํำนาญในการฟุ้งซ่านใจเนี่ยสะสมเอาไว้แล้วไม่ได้สะสมแค่ชาตินี้ชาติแรกสะสมมาตั้งแต่อดีตชาติตั้งแต่เริ่มมีเรานั่นแหละสังสารวัตนี้ตลอดมาเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันมีกิเลสขึ้นมาแล้วเราไม่ได้ ไม่ได้มีความรู้คือไม่มีสติรู้มันเนี่ยนะมันทำงานก็มันเองคือดับไปแล้วกลายเป็นอนุสัยที่นอนเนื่อง